รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่23ชอบพูดกับตัวเองกรณีเฉพาะตนของหมอเมืองเหนืออาชีพสอนนักศึกษาแพทย์ลักษณะงานที่ทำรักษาคนไข่บ้าง แต่จะดูแลงานที่โรงพยาบาลและสอนนักศึกษาเป็นหลักงานที่ทำจะเห็นเรื่องขัดหูขัดตาหรือเห็นนักศึกษาทำตัวหน้าขัดใจเยอะสมัยก่อนจะรู้สึกว่ายอมไม่ได้ต้องดา่าเพราะพวกนั้นจบไปอาจทำให้คนตายหรือทำให้คนไข้เสี่ยงอันตรายแต่เดี๋ยวนี้จะปล่อยวางมากกว่าเดิมแค่เข้มงวดและพูดเตือนดีๆไม่บงเบงเอตโรอย่างเคย แรกผมเป็นคนคิดมากมาตลอดคล้ายมีเสียงกระซิบในหัวเป็นอีกตัวหนึ่งต่างหากซึ่งบางครั้งก็คิดต่างไปจากผมจนถึงขั้นต้องพูดคุยกับตัวเองแบบออกปากบ่อยๆหลายหนเถียงกับตัวเองคล้ายมีสองคนแบ่งข้างกันอย่างชัดเจนอย่างนี้ผมควรรู้ใบเฉยๆหรือว่าควรทำอย่างไรจึงจะเป็นไปด้วยกันกับการเจริญสติและนิสัยคุยกับตัวเองมีผลลบกับการเจริญสติหรือไม่ ผมไม่ถึงขั้นพูดไม่รู้ตัวนะครับจะพูดเฉพาะอยู่คนเดียวตามลำพังหรืออยู่กับเมียในห้องส่วนตัวเพราะเมียชินกับพฤติกรรมของผมแล้วและไม่รู้สึกว่าผิดปกติอะไรเหมือนคนบ่นกระปอดกระแปดด้วยความเครียดจากงานตามธรรมดาว่ากันตามหลักการก่อนนะครับความคิดก็คือเสียงกระซิบในหัวของคนคนหนึ่งและเสียงกระซิบนั้นก็คือตัวบงการ หรือกำหนดทิศทางให้ชีวิตของเราหรือบางทีอาจจะทิศทางของประเทศหรือกระทั่งทิศทางของโลกฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทไม่ควรถือว่าเสียงกระซิบในหัวเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยถ้ารู้เฉยๆแล้วมันยังกระซิบอะไรร้ายๆต่อหรือกระทั่งกำเริบหนักขึ้นเป็นตะแบงสั่งให้คุณทำเรื่องแย่ๆอันนี้ต้องห้ามใจแล้วต้องข่มใจแล้วแค่รู้อย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้ว เกณฑ์การห้ามก็ห้าข้อจําง่ายๆครับหากความคิดมันกระซิบให้ฆ่ากระซิบให้โกงกระซิบให้เป็นชู้กระซิบให้ปั้นน้ําเป็นตัวหรือกระซิบให้กินเหล้าเมายาอันนี้อาจต้องตะข้อกลับให้มันเงียบซะอย่าได้มีบทบาทกระซิบต่อแต่ถ้าคิดแค่วู่วู่วับวไม่ได้กระซิบเรื่อยๆไม่ได้ยวนใจให้หลงทำผิดตามมนสะกดของเสียงกระซิบด้านมืด อย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่ารู้ว่ามันผุดขึ้นเหมือนเห็นคลื่นน้ําที่เกิดจากหินเม็ดเล็กหล่นใส่แค่ใส่ใจดูอาการกระเพื่อมอย่างปราศจากความใ ย, ยดีไม่จําเป็นต้องตั้งท่าห้ามไม่จําเป็นต้องเพ่งเล็งควบคุมประโยชน์จากการมองอย่างนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงของคลื่นความคิดได้ง่ายการคิดแบบออกเสียงพูดก็ดีไปอย่าง คือคุณได้ยินให้ชัดๆไปเลยว่าตัวเองคิดอะไรเพราะบางคนไม่รู้นะครับว่าตัวเองคิดอะไรหรือคิดแล้วหลอกตัวเองว่าไม่ได้คิดหรือรู้สึกไปว่าความคิดพักนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในหัวสะอาดๆของฉันอย่างแน่นอนและสําหรับกรณีของคุณเราอาจมองว่าเป็นการสั่งสมนิสัยแบบหนึ่งคือป น, ปนกันระหว่างความเป็นคนขี้บน่นกับความเป็นคนชอบแย้งคือสามารถขัดแย้งได้แม้กระทั่งกับตัวเอง เป็นพวกไม่ชอบพอใจข้างใดข้างหนึ่งแบบสุดตงแล้วก็ถูกฝึกมาให้ขี้สงสัยมองอะไรสองด้านไม่เชื่อว่ามีอะไรถูกอย่างเดียวหรือผิดอย่างเดียวพูดง่ายๆคือถ้าพื้นฐานออกแนวขี้บน่นแล้วก็มีความขัดแย้งในตัวเองสูงก็ไม่น่าแปลกหากความคิดจะหลุดออกมาเป็นคำพูดเนื่องจากเสียงของความคิดขัดแยง้งมันดังเกินกว่าจะเก็บไว้ในหัวเวลาคนเราคิดนะครับ ก็เหมือนการพูดคุยกับใจตัวเองอยู่แล้วล่ะเพียงแต่คนทั่วไปเขาไม่ปล่อยให้มันหลุดเป็นคำๆออกมาทางปากกันพวกเขาก็เลยดูเป็นปกติแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ไม่ได้ต่างจากคนชอบคุยกับตัวเองแบบแหล่งเสียงเช่นคุณเลยเพราะพวกเขาก็เถียงกับตัวเองเหมือนมีสองภาคอยู่บ่อยๆดังนั้นที่จะดูว่าดีหรือไม่ดีต่อการเจริญสติให้ดูว่าคุยกับตัวเองแล้วจิตอยู่ในสภาพไหน ถ้าคุยกับตัวเองแล้วจิตพร่าเลือนระลึกรู้กายใจตามจริงได้ยากก็แปลว่าเข้าข่ายพูดเพ้อเจ้ออันจัดเป็นมิจฉาวาจามิจฉาวาจาเป็นตรงข้ามกับสัมมาวาจาอันเป็นองค์มรรคองค์หนึ่งขาดองค์มรรคนี้ไปก็หมดสิทธิ์เห็นธรรมตามจริงถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานเปรียบไปคงคล้ายกับเดินฝ่าม่านฝนหรือทะเลหมอกหนาทึบ อย่างไรก็คงไม่เห็นทางตรงหน้าไม่อาจรู้ตามจริงว่ามีสิ่งใดให้ดูมีสิ่งใดให้เลี่ยงจึงหมดสิทธิ์เข้าให้ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งต้องข้ามน้ําข้ามแผ่นดินกันสุดขอบโลกเพื่อใช้ประโยชน์จากการคุยกับตัวเองขอให้ลองสังเกตว่ามีความอึดอัดอันเกิดจากความขัดแย้งกับตัวเองไหมมีความหงุดหงิดหรือความกระวนกระวายของโทสะแฝงอยู่แค่ไหนใจทึบหรือใจโปรง่ง ด้วยความเคยชินในการรู้เห็นจิตนั่นเองจะช่วยลดความปรุงแต่งลงซึ่งหากมีช่องเว้นวักเกิดความรู้สึกว่างขึ้นชั่วคราวคุณอาจย้อนกลับมาเห็นขณะแห่งความคิดที่ผุดขึ้นกับทั้งเห็นถนัดว่าแต่และห่วงความคิดไม่เหมือนกันบางห่วงแค่ผุดขึ้นในหัวเฉยๆตามปกติแต่บางห่วงก็แฝงแรงขับดันให้อยากพูดออกมาทางปาก เมื่อสามารถเห็นความอยากอันเป็นแรงขับดันให้ปากขยับเพื่อเปล่งเสียงใจคุณอาจเกิดความขี้เกียจพูดขึ้นมาแทนและตรงความขี้เกียจพูดนั่นเองความคิดที่ถูกอั้นไว้ก็อาจปรากฏเด่นชัดว่าเป็นเพียงคลื่นลมอะไรอย่างหนึ่งในหัวเหมือนเสียงกระซิบที่คุณไม่ได้เป็นคนคิดมันมีของมันเองเป็นอย่างนั้นของมันเองตามเหตุที่เหมาะสมของมัน คุณจะพบความจริงที่สำคัญคือเสียงกระซิบในหัวนั่นเองที่ทำให้นึกว่ามีตัวเราอยู่ตัวหนึ่งและเป็นผู้คิดไม่หยุดทั้งที่มันไม่เคยเป็นตัวใครแม้แต่น้อยเมื่อเสียงกระซิบในหัวกลายเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ผลคือชีวิตจะไม่ถูกควบคุมด้วยเสียงกระซิบกับทั้งสามารถเห็นด้านกลับทางธรรมชาติภายในที่ไม่มีความรู้สึกในตัวเราอยู่ในความคิดสรุปนะครับ ถ้าขาดสติการคิดมากอยู่ในหัวอย่างเดียวเราเรียกว่าฟุ้งซ่านส่วนการคิดมากออกมาทางปากเราเรียกเผอเจอแต่ถ้ามีสติการคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวเรียกว่าคิดอย่างรู้ตัวส่วนการปล่อยความคิดออกมาทางปากเราเรียกส um ัมมาวาจา คำถามที่สองทราบว่าพระพุทธเจ้าให้ดูว่าเจริญสติก้าวหน้าไหมโดยสังเกตว่ากิเลสลดลงมากน้อยเพียงใดผมพบว่าตัวเองเหมือนรู้สึกถึงกายใจมากขึ้นแต่กลับมีอัตตาแรงเวลาใครพูดกระทบให้รู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีจะยังโกรธจัดเหมือนเดิมอยากทราบว่าผมปฏิบัติผิดหรือว่ายังปฏิบัติไม่พอ ระหว่างเจริญสติผิดกับสติยังเจริญไม่พอนั้นแตกต่างกันมากเหมือนบอกว่าตั้งใจจะขึ้นเชียงใหม่เราไปผิดทางหรือเพิ่งไปได้แค่อยุธยาการมาถูกทางเจริญสติให้อาศัยเกณฑ์ง่ายๆเลยครับถ้าระลึกรู้เข้ามาที่กายใจตามจริงด้วยอาการทราบเป็นขณะขณะว่านั่นไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่เราจะเท่ากับอยู่บนทางแน่นอน ขอเพียงอย่าจอดเสียตั้งแต่ยังไม่ถึงอยุทยาหรือนครสวรรค์ก็แล้วกัน